สอยวัดกู้ปรกเกร็ดไปเห็นท่านแล้วโอทําไมท่านท่านมีความสุขจังดูท่านมีความสุขท่านเป็นอมาาพาศนะเวลาหามกันก็ล่องกระแลงมาทีอุ้มไปอุ้มมากระดูกหักก็มีนะแต่แล้วดูท่านมีความสุขทำไงเราจะได้ดีอย่างท่านบ้างเสร็จแล้วเฉลียวใจเอมานะนี่รู้สึกท่านเก่งเลยเราไม่ได้เรื่อง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 บางครั้งเรารู้สึกท้อแท้ขึ้นมาเพราะอะไรบางทีเราไปตั้งความคาดหวังไว้เนี่ยปฏิบัติเท่านี้น่าจะได้ผลเท่านี้เนี่ยอปฏิบัติด้วยความคาดหวังมันไม่เป็นอย่างหวังนี่ก็ท้อแท้ใจหลวงพ่อภาวนานะไม่เคยท้อเลยเหนื่อยแต่ไม่ท้อนะไม่ทอ้อตามรู้ตามดูเบื่อรั่วเบื่อนี่ท้อใจรู้ว่ขาท้อใจวับวก็ขาดเลย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 เจเลอร์แล้วเสื่อมเจเลอแล้วเสื่อมอยู่ตรงเนี้เราสังเกตดูแต่ละแง่แต่ละมุมที่จิตมันดําเนินไปล้วนแต่เป็นอริยสัจทั้งหมดเลยจิตค้นคว่าแต่เรื่องอริยสัจแต่ไม่รู้ตัวนะว่าเป็นเรื่องอริยสัจพอค้นกว่าอริยสัจไปมุมนี้หลุดออกมาสบายแล้วสบายแล้วหลายวันเสื่อมลงมาอีกจิตมันค้นกว่าอีกค้นกว้าอ่ะเข้าใจอริยสัจอีกมุมหนึ่งแล้วสบายอีกแล้วเสร็จแล้วก็เสื่อม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 รถวิบากถนนดีๆไม่วิ่งไม่มันต้องไต่เฮวไต่เขาไปโอ้สนุกอีกพวกหนึ่งอยากจะขึ้นรถไฟฟ้าแปบ๊บเดียวเอาล้ง่ายๆนีนินสัยคนไม่เหมือนกันไปสู่ที่เดียวกันนะวิธีการก็ยังมีแตกต่างกันไปในรายละเอียดนะแต่ในหลักเนี่ยต้องถูกหลักคือศาสตร์เนี่ยต้องถูกแต่ศิลปะนี่เรื่องเฉพาะตัวแล้วอย่างลูกศิษย์หลวงปู่ดูลุนพี่หลวงพ่อชอบเดิน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 มีญาติบางคนนะเคยขีเ่เบนซ์ก็ขี่ไม่ได้เข้ารถไม่ได้ต้องเป็นั่งปิกอัพใช่ไหมนั่งข้างหลังอยู่คนเดียวอะ่ะมันเป็นสายพันธุ์เป็นอย่างงั้นนี่น้นําหนักเราเยอะนะตอนจะบวชเนี่ยต้องนั่งคุกเขา่าประมาณ45นาทีไม่ใช่ง่ายนะโอ้ลงน้ําหนักเยอะๆแล้วคุกเข่าเนี่ยมันแทบจะพังภาพเลยแล้วเป็นคนที่ไม่จําด้วย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 คือนั่งคุกเข่าไม่ได้นะซ้อมนั่งคุกเข่าเอาแล้ววันนี้ได้45สบห้านาทีภูมิใจในตัวเองนั่งได้45หวินาทีไม่ใช่วนาทีภูมิใจพรุ่งนี้พยายามนั่งได้ให้สักห้าสิบอะไรเงี้ยขยบขยบข ย, ยบอย่างนี้นะอดทนมากเลยแ <c> ล <oughs> มันเป็นนิสัยที่อดทนนั่นแหละ <c oughs> ตอนเล่นกระ บ, บีก่กระบองคนอื่นเขาล้ำไปตั้งหลายสิบท่าแล้วหลวพ่อฝึกท่าเบสิกอยู่ท่าเดียว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 มีคนโบราณนะฝึกลูกฝึกหลานฝึกขนาดนี้นะฝึอดทนนะต้องรอได้ใจต้องถึงถึงนะการภาวนาต้องถึงหลวงพ่อไปหาหลวงปู่เหลียญ่ันท่านมรณภาพไม่กี่วันนะไม่นานท่า น, นอนอยู่บนเตียงแบบเตียงโรงพยาบาลไนะขได้ตาแปว๊วแปวเข้าไปถึงนะท่าน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 ีมีสับเยอะนะตรงนี้มีศับหลายตัวสภาวะอันเดียวกันนั่นเองแล้วแต่มุมที่มองใจเข้าถึงทำลว้ลวนเลยเวลาเข้าถึงทรล้ว น, วนคือเข้าถึงนิพพานบางคนเห็นว่านิพพานเนี่ยไม่มีที่กำหนดใหม่ไม่มีที่กาหนดใหม่บางคนเห็นว่านิพพานเนี่ยปราศจากความเสียดแทงทั้งปวงเห็นสภาวะที่พ้นจากความเสียดแทง บางคนเห็นสภาวะที่ไม่มีที่กำหนดหมายไม่มีการทำงานใดๆขึ้นมาอีกบางคนเห็นเป็นความว่างเปล่าดนั้นการเข้าไปเห็นนิพพานของคนแต่ละคนยังมองกันคนละมุมได้อีกมองของอ น, นิมิตะวิโมกมองแบบอภัยนิหิตตวิโมกสุญญาวิโมกวิโมกวิโมกเนี่ยสาอย่างนี้เห็นนิพพานนะ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 เนคขัมมะบารมีทั้งหลายนั่นแหละคืออาวุธของเราแหละนี่สร้างบารมีมากเข้ามากเข้านะั่นคืออาวุธรอบตัวอะไรนี้หยิบอะไรขึ้นมาก็ใช้ได้หมดเลยหลวงพ่อเคยเรียนกฎหมายนะบอกว่าเราไปกัดคนเนี่ยนะได้รับบาดเจ็บเนี่ยถือว่าไม่ได้ใช้อาวุธถ้าเราใส่ฟันปลอมไปกัดเขานะ้าถือว่าใช้อาวุธเนมะื่อก่นมีการเรียนอย่างนี้ด้วยนะบอกงั้นถ้าใคร มีฟันแท้ๆกัดเขานี่ได้เปรียบนะใส่ฟันปลอมเอเป็นอาวุธไม่เป็นพิลึกอย่างนั้นทำไมยนยโกนกฎหมายประหลาดประหลาดนะสังเกตใจนะจิตใจมีความสงบรู้สึกไหมจิตใจมีความสงบจิตใจมีความสุขค่อยดูลงไป <S <S วันนี้หลวงพ่อพูดธรรมะได้ประณีตหน่อยเพราะว่าพวกเราน้อยแล้วก็ส่วนมากคือพวกที่เรียนมาแล้วจานวนมากคือพวกที่ตื่นแล้ว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 ถ้าภาวนาถูกนะใจก็โปร่งใจโปร่งโล่งเบาร่างกายก็ผ่อนคลายจิตใจก็ผ่อนคลาย น, ะนานๆนนทีความเจ็บไข้แทรกเข้ามาในร่างกายก็ไม่เป็นปฏิปักษ์กับมันนะเห็นร่างกายมันเจ็บไข้ก็ไม่เป็นปฏิปักษ์นนะ ก, ก, ก, กับความเจ็บไข้ถ้าจะเป็นปฏิปักษ์กับความเจ็บไข้นะใจจะมีความทุกข์อีกอยังไม่สบายขึ้นมานะโมโหมัหมนพวกเราต้องเตรียมพร้อมนะครดูใครยฝึกไป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 เขาเพลงเขาบอกอะไรนะนี่คือปณิธานที่หานมุข น, นี่คือปัญญามีปัญญาเข้าใจนะสบายเราชอบน้อยใจโชคกะตาชอบโทษคนอื่นอะ่ะไม่รู้จะโทษใครก็โทษโชคชะตามันไม่เฉียงนี่เคยมีคนคนหนึ่งอยู่หนองปลาพงเราช่วยหลพระชาสร้างวัดช่วยดูแลอะไรทุกอย่างเลยนะ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 เรียนจากหลวงพ่อนานเท่าไรเนี่ยกี่ปีปีหนึ่งเหรอปีหนึ่งทำได้อย่างนี้เก่งแล้วเอาใครมีอะไรเชิญพี่วัยมีอะไรแม่ส่งกันบ้านเลยเย็นๆไม่ได้มาเมื่อวานกไม่ได้มาตอนเย็นก็ฟุ้งค่ะฟุ้งแล้วก็ซึมสลับไปสลับมาอย่าไปเกลียดมันแต่ก็อย่าไปรักมัน อย่นี้ดูเฉยเยดูเฉยเฉยตรงเฉยๆก็ต้องอย่าให้ซึมด้วยถ้าเฉยแบบอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ทราบว่าถึงเออเอย่างี้ไม่ได้จิตถึงฐานหรือว่ายังไม่ถึงดีขาดอยู่นิดหนึ่งแต่อย่าดึงนะถ้าดึงแล้วจะตึงเกินไปละแค่รู้ถ้่ามาอยู่วัดนี้จะตึงนิดหน่อยอตึงนิดหน่อยเพราะจะขยันอะไรอย่างเงี้ยจะตึงอ่ะส่งต่อไปเลยใครไม่เอาก็ส่งต่อไป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 นะเช่นพอโกรดขึ้นมานะใจรู้ว่าโกรธแล้วมันก็บ่นลําพึงลําพันทั้งมันว่าโกรธอีกแล้วหรือว่านี่โกรธอีกแล้วนะอย่างนี้ไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันโกรธหนอโกรธน้อยนี่แกล้งทําละอ๋อค่ะอันนี้เกินละเดิมทีเมื่อก่อนนี้ที่ฉันจะกําหนดโกรธหนอโกรธหนอแต่เมื่อมาอ่านหนังสือของของท่านเนี่ยท่านบอกว่าไม่ต้องโกรธหนอเท่ากับเราย้ําพอเรารู้ว่ากําหนดก็ให้รู้ว่ากําหนดใช่ใช่ เราไปกำหนดรู้ก็กำหนดค่ะก็ขณะนี้ก็พยายามปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ก็ทำมาได้สักระยะหนึ่งถ้าถ้าทอย่างที่หลวงพ่อบอกเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองค่ะอย่างถ้าเราจงใจกำหนดนาะใจจะเครียดเครียดแข็งแข็งค่ะเมาแต่ถ้ า, ราเราตามรู้<ๆ>ตามดูไปนะใจจะโปร่งโล่งเบาข่้จะอ่อนนุ่มนวละจิตที่เบาจิตที่ทุ่มนวลจิตที่คล่องแคล่วว่องไว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 ใจใจมัจะวับแ๊บแวบฮะเพราะว่ามีลูกสองคนก็อยู่ในระหว่างห่วงทั้งสองคนค่ะก็มีลูกก็ต้องมีห่วงนะเพราะลูกคือราหุ่นะแต่ว่าห่วงค่ะค่ะงั้นนสำพระสกายนะพอคุณวิชาคุณปียรนาฏก็ได้มีอะไรพูดเลยเดี๋ยวหลวงพ่อต้องคุยกับพระก็จะเรียนถามหลวงพ่อว่าสมองทางานเนี่ย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 ยังไงมันก็ไม่ยอมหยุดคิดมันคิดได้ต่อเนื่องมากๆเลยอะคา่ะแล้วก็วิธีการอะไรอย่างที่บอกว่าเครื่องหยุดก็เคยเรียนมาแล้วลืมไปทสาสมถาธิค่ะ <c oughs> พอดึง <c oughs> พอๆก็คือบอกเองว่าทํำยังไงถึงจะให้มั น, มนหยุดทํางานก็เอาเอากลับเข้ามามด้วยวิธีสมถะพอเอากลับมาสมถะมันก็จะปวดหัวเริ่มเริ่ม ม, มีมีปวดหัวก็รู้ว่าใช้ไม่ได้ไม่ไม่สมถะต้องทําให้สบายเคล็ดลั บ, บของการทําสมถะต้องสบายนะ